ทำบุญแก้กรรมตอนโปรแก ร, รมจิตเพื่อการเลิกบุหรี่และการเลี้ยงลูกจากที่ผู้เขียนเองเคยติดบุหรี่อย่างหนักจึงเข้าใจได้ดีว่าการเลิกไม่ใช่ง่ายมีบทความวิธีเลิกบุหรี่มากมายแต่ส่วนใหญ่เหมือนเป็นแนวคิดเพอ้อฝันจากคนไม่เคยติดบุหรี่หรือวิธีการที่เหมาะกับคนบางกลุ่มเท่านั้นทำให้คนจำนวนมาก แม่อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้ศาสตร์แห่งจิตใต้สํานึกและวิบากกรรมจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าศาสตร์แห่งการคาดเดาและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลหลายคนไม่มีวิบากเก่าจึงหักดิบได้ง่ายแล้วก็เที่ยวดูถูกคนอื่นที่เลิกไม่ได้ว่าใจไม่ถึงฉันเลิกได้ง่ายทําไมแกเลิกไม่ได้หรือแค่อดทนก็พอแล้วก็สารพัดแนวคิดจากการไม่เข้าใจจริง ที่ส่งผลเสียมากกว่าเกิดประโยชน์บางคนเนี่ยเขาติดกันมา น, น, นานๆไปเลิกปุบ ป, ปักหักดิบเนี่ยตายเลยนะครับเพราะว่าร่างกายเคยชินกับการได้รับสารดังนั้นบางครั้งบางคนอาจจะต้องค่อยๆลดค่อยๆเลิกและมีวิธีแตกต่างกันไปด้วยผมเองเนี่ยหัดสูบบุหรี่ตั้งแต่ป .6 นะครับสูบเรื่อยมาจนเป็นนักดนตรีกลางคืนมีสติสูงสุดก่อนแขวนไฟแชคคืคอวันละสามซอง แล้วก็กินเหล้าอลากรมติดการพ น, นันเกือบทุกชนิดอิ่มน้ําสําราญกับความชั่วจนเต็มที่แล้วนะฮะก่อนเลิกทุกอย่างแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษาศาสน า, าพุทธแบบจริงจังก่อนตัดใจทิ้งวงการบรนเทิงมาเผยแพร่ทําเสื่อคุณธรรมแจกปริจนถึงปัจจุบันใครบ้างล่ะครับที่ไม่รู้ว่าบุหรี่เหล้ายาเสพติดการพ น, นันไม่ดีมันรู้กันทุกคนล่ะครับแต่เพราะปัจจัยหลายอย่างทําให้ตัดใจไม่ได้ ทั้งการเข้าข้างตัวเองวิธีเลิกไม่เหมาะกับตัวเองไม่มีแรงกระตุ้นมากพอมีวิบากเก่าจากชาติก่อนทําให้เลิกยากกว่าคนทั่วไปโดยส่วนตัวผมเจอคําถามเป็นประจํานะครับว่าจมปลักมาขนาดนั้นนะ่ะโงหัวขึ้นมาได้ยังไงคําตอบจากประสบการณ์ตรงและงานวิจัยหลายแห่งอธิบายไว้ว่าการนําลูกไปทํางานด้วยแต่เล็กจะทําให้เด็กซึมซับและสงสารเห็นใจพ่อแม่ รู้คุณค่าของเงินการพาเด็กไปทำบุญอย่างสม่ำเสมอพาไปฟังธรรมะสวดมนต์ให้ทำงานบ้านเน้นเรื่องมารยาทและก็สอนอีกหลายอย่างจะส่งเสริมให้เด็กมีฐานบุญสร้างคลื่นสมองที่ดีไปพัฒนาสมองส่วนจิตสำนึกให้ทำงานดีขึ้นมีผลทำให้รู้ผิดชอบชั่วดีรู้จักกระตันอยู่มองโลกแง่บวกและก็คิดอะไรได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับ จิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคนทำงานเองอัตโนมัติไม่สามารถบังคับได้แต่ค่อยๆป้อนข้อมูลให้เขาได้จิตที่มีการสะสมเรื่องคุณธรรมและการทำงานแต่เล็กข้อมูลไม่หายไปไหนถึงเวลาจะส่งออกมาเป็นแนวคิดการใช้ชีวิตต่างๆแม้เมื่อเกิดการหลงผิดติดยาเสพติดซึ่งบางทีไม่ใช่เพราะเด็กมันชั่วนะครับแต่เพราะฮอร์โมนในช่วงวัยรุ่นกระตุ้นสมองส่วนที่คล้ายของสัตว์เดรัจฉานให้ทำงานดีขึ้น จึงมีพฤติกรรมและแนวคิดตกต่ำลงและที่สําคัญคืออย่างมงคลละสูตรข้อแรกที่บอกไว้นะครับคือการไม่คบคนพานการมีเพื่อนชั่วมีสิ่งแวดล้อมชั่วชวก็เป็นเหตุจูงใจให้เด็กสามารถกลายเป็นเด็กเลวได้สังเกตสิครับถ้าเรานอนไม่หลับกลางคืนอยากจะออกไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างในเมืองไทยเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยร้านเหล้าแล้วมันไม่มีที่ไหนไปจริงๆนอกจากร้านเหล้า ในอดีตที่ผมติดเหล้าก็เพราะอย่างนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่ไปกับเพื่อนกี่ที่กี่ที่ก็มีแต่ร้านเหล้าส่วนค่าดริงก์ค่าเครื่องดื่มก็คิดดูแล้วกันว่าน้ำอัดลมหนึ่งแก้วราคาเท่ากับเหล้าหนึ่งแก้วแล้วใครมันจะโง่กินน้ำอัดลมล่ะครับใช่ไหมสุดท้ายก็ติดเหล้างอมแงมเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกจริงๆอยากจะให้รัฐบาลเห็นปัญหาตรงนี้นะครับหาสถานที่ที่สามารถให้วัยรุ่นไปร่วมกันทํากิจกรรมกลางคืน ที่มันปราศจากแอลกอฮอล์มีสถานที่แสดงความสามารถเช่นร้องเพลงเต้นหรืออะไรก็ได้เพราะเด็กยุคหลังเนี่ยมันนอนกันดึกแล้วมันมีเวลาว่างเยอะแล้วมันมีพลังงานล้นเหลือที่อยากจะแสดงออกแต่เวทีไม่มีมีสถานที่เที่ยวกี่ที่ก็มีแต่ร้านเหล้าเป็นหลักที่เป็นตัวเลือกให้มันไปนั่งเมากันจนตอนนี้สถิติวัยรุ่นไทยติดเหล้าอันดับโลกแล้วนะครับ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 จิตมีตัวเปรียบเทียบทั้งสองด้านจนเห็นชัดว่าอะไรทำลับเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์จิตได้สำนึกจะกระตุ้นให้คิดอยากออกห่างจากสิ่งไม่ดีได้เองแต่อาจต้องมีปัจจัยเสริมมาสมทบด้วยเช่นสิ่งแวดล้อมผู้คนรอบข้างใจที่มุ่งมั่นแนวคิดว่าไม่สายที่จะเริ่มชีวิตใหม่แนวทางหรือคำแนะนำจากบุคคลผู้มีประสบการณ์หรือให้แง่คิดได้ถูกกับวาระจิตของเขาเป็นต้น ซึ่งหลายสิ่งถ้าทําได้ถูกเวลาและเหมาะสมสอดคล้องพอดีกับแต่ละบุคคลก็พลิกหรือเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิมได้ง่ายขึ้นคือเด็กเนี่ยมันจะไม่ชอบคนบังคับนะครับคือไปบังคับให้เลิกเนี่ยยังไงมก็ไม่เลิกแต่ถ้าแบบว่ามีคนมาบอกบ่อยๆมาบอกทีละน้อยบ่อยๆว่าบุหรีไงงร่ไม่ดีอย่างนั้นบุหรี่ไม่ดีอย่างนี้มีวิธีเลิกยังไงบ้างซึ่งมันต้องเอาจิตวิทยามาใช้กันอย่างเช่นถ้าเป็นวัยรุ่น บางทีเอาพ่อแม่มามันก็ไม่สามารถทำให้เด็กอยากเลิกแต่ถ้าเกิดเรารณรงค์ว่าถ้าสูบุหรี่แล้วแฟนจะไม่ชอบจะหาแฟนยากหรือจะเป็นที่น่ารังเกียจของวัยรุ่นหน้าตาดีเช่นถ้าเด็กมันชอบดาราคนไหนลองเอาสิครับเอาดาราดังๆทั้งผู้หญิงผู้ชายมาบอกว่าเขาเกลียดคนสูบุหรี่มากมาออกทีวีอย่างเงี้ยนาทีหนึ่งนาทีออกทุกวันเด็กมันดูตั้งแต่เด็กซึมซับ มันจะได้เห็นไอดอลของมันว่าอ๋อพี่เขาไม่ชอบคนสูบบุหรี่นั้นโตไปเราไม่สูบดีกว่าอันเนี้ยมันยังจะมีผลซะมากกว่าอันนี้แค่แนะนำแนวทางเพิ่มเติมนะครับเราแก้ปัญหาวัยรุ่นกันไม่ค่อยได้ก็เพราะใช้แนวทางเดียวแก้ปัญหาของเด็กทั้งประเทศเห็นเด็กทำผิดก็ด่ารุนแรงพยายามออกกฎให้เคร่ ง, งวดที่สุดคิดแต่จะลงโทษให้หนักจนมรกเกินวัยของเด็กแทบไม่มีใครกลับมาคิดว่า คมผิดส่วนหนึ่งเกิดจากพ่อแม่และครูไม่เคยอบรมให้ดีพอหรือไม่สามารถหาวิธีที่เหมาะสมกับเด็กคนนั้นๆหรือเปล่าสมองส่วนจิตสำนึกไม่เคยถูกพัฒนาในเวลาที่เหมาะสมจากพ่อแม่และครูที่ไร้คุณภาพอันนี้เราไม่โทษครูนะครับผมเชื่อว่าครูในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นครูที่ดีและตั้งใจสอนแต่หลังจากที่ได้รับการเชิญไปบรรยายทั่วประเทศผมพบว่าระบบการศึกษาของบ้านเราต่างหาก การบริหารหน่วยงานของบ้านเราที่มันห่วยแตกจนต่อให้มีครูดีเข้าไปล้นโรงเรียนยังไงก็พัฒนาเด็กไม่ได้เพราะระบบมันห่วยแตกขนาดนี้นะครับก็คิดว่าอนาคตประเทศไทยคงจะได้มีการพัฒนาขึ้นต่อไปปัญหาหลายส่วนมาจากพ่อแม่และครูที่ไร้คุณภาพนะครับแต่ก็มักมองข้ามไม่เห็นความผิดตัวเองจะมาแก้ที่ปลายเหตุแก้เมื่อมันสายไปแล้วหรือเข้าไปยุ่งในเวลาที่ไม่เหมาะสมเด็กก่อนมีฮอร์โมนเพศเน้นนะครับ เขาจะต้องการความใกล้ชิดเอาใจใส่จากพ่อแม่เท่านั้นต้องการให้กอดหอมพาเที่ยวนั่งคุยแนะนําสั่งสอนสิ่งดีๆฟังเพลงดีๆรับสื่อดีๆไปทํากิจกรรมร่วมกันสวดมนต์ทันสมาธิสิ่งเหล่านี้ร่วน ม, มีผลต่อสมองส่วนจิตสํานึกซึ่งวัยเด็กซึมซับข้อมูลได้ดีที่สุดแต่ส่วนใหญ่มักอ้างว่าไม่มีเวลาคิดแต่ว่ายังเด็กไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากหรอกแถมปล่อยฟังเพลงเนื้อหาอุบาทดูละครน้ําเน่าเล่นเกมรุนแรง และให้แรงงานไร้คุณภาพเลี้ยงลูกแทนอีกต่างหากแต่พอเด็กมันมีฮอร์โมนเพศขึ้นมาซึ่งมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนคล้ายสัตว์เดรัจฉานใด้ทำงานดีขึ้นนะครับความคิดจะเปลี่ยนแปลงและควบคุมอารมณ์ได้ยากอยากอยู่เหนือผู้อื่นไม่ชอบคําสั่งอยากเป็นอิสระอยากอยู่คนเดียวอยากขยายพันธุ์อยากให้ตัวเองโดดเด่นแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงช่วงฮอร์โมนพุ่งเนี่ยตีให้ตายสอนให้ปากแฉะมันก็ฟังและคิดตามไม่ได้นะครับ ต้องพาไปทำกิจกรรมหรือมีกุศโลบายอื่นๆแต่ก็แปลนะครับเวลาที่เด็กต้องการอิสระต้องการเป็นตัวของตัวเองก็ดันเป็นเวลาเดียวกับที่พ่อแม่และครูมักจะให้ความสำคัญและก็เข้มงวดจนเกินพอดีกับเด็กในช่วงเวลานี้เลยยิ่งเป็นแรงกดดันให้เกิดปัญหาบานปลายมามากมายยิ่งทาให้เด็กเสียคนมากขึ้น